ความสุขของมนุษย์มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือหนึ่งความสุขแบบผู้ครองเรือนสองความสุขแบบพวกนักบวชนี่คือวิธีหาความสุขของมนุษย์หากันโดยสองวิธีนี้ ส่วนใหญ่ก็จะหาแบบผู้คลองเรือนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีหาความสุขแบบนักบวชแตไม่ช้าก็เร็วก็จะเปลี่ยนไปจากการหาความสุขแบบผู้คลองเรือนไปหาความสุขแบบนักบวชเพราะความสุข แบบนักบวชเป็นความสุขที่ดีกว่าที่มั่นคงกว่าที่ถาวรกว่านั่นเองแต่ในเบื้องต้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มักจะหาความสุขแบบผู้คองเรือนกันก่อนน้อยคนที่เกิดมาแล้วใจไปหาความสุขแบบนักบวชเลย ก็มีบ้างแต่ไม่มากเช่นผ้าบางรูปบวชตั้งแต่เป็นสามเณรบวชตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็ไม่สึกเลยคองผ้าเหลืองคองผ้าเหลืองไปจนวันตายเพราะว่าได้สะสมวิธีหาความสุขแบบนักบวชมาหลายพบหลายชาติแล้ว จนติดเป็นนิสัยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นนักบวชกันแต่คนส่วนใหญ่ที่เกิดมาจะมาหาความสุขแบบผู้คองเรือนกันทีนี้วิธีหาความสุขของผู้คองเรือนก็มีแบบที่ทำให้เกิด โทษเกิดความทุกข์ตามมาก็มีแบบที่ไม่มีความทุกข์หรือไม่มีโทษไม่มีปัญหาตามมาก็มีถ้าเราอยากจะมีความสุขแบบผู้ครองเรือนแบบไม่มีโทษตามมาเราก็ต้องทำตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำ การมีความสุขแบบผู้คลองเรือนี้เกิดได้สี่วิธีด้วยกันก็นวิธีที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาวิธีที่สองพอมีทรัพย์และได้ทรัพย์แล้วก็การได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่นั้น วิธีที่สามที่ทำให้มีความสุขก็คือการไม่มีนี่วิธีที่สี่ก็คือการกระทำที่ไม่มีโทษตามมานี่คือหลักการหาความสุขแบบผู้คลองเรือนจำเป็นจะต้องอทำสี่วิธีนี้ วิธีที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาการจะได้ทรัพย์มานี้มีสองวิธีวิธีที่ไม่มีโทษไม่มีปัญหากับวิธีที่มีโทษมีปัญหาวิธีที่ได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์นี้ที่ไม่มีปัญหาก็คือ การทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญไม่ผิดศีลผิดธรรมทรัพย์ที่ได้มาก็จะไม่มีปัญหาติดตามมาก็จะมีแต่ความสุขจากการได้ทรัพย์นั้นแต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่หาาได้โดยวิธีไม่ถูกต้องวิธีผิดกฎหมายวิธีผิดศีลธรรม ก็จะมีปัญหาตามมามีทุกข์ตามมาดังนั้นถ้าอยากจะมีความสุขจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ก็ควรที่จะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ด้วยการทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริตไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายหรือ วิธีที่จะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์อีกวิธีหนึ่งก็คือทรัพย์ที่เกิดจากบุญเก่าที่ได้เคยทําไว้ในอดีตชาติบางคนในอดีตชาติได้ทําบุญมามากมายพอมาเกิดชาตินี้ก็เลยมาเกิดร่ารวยมาเป็นลูกเศรษฐีหรือถ้าไม่เป็นลูกเศรษฐีถ้าทําอะไรก็มักจะ มีเงินทองไหลามาเทมาแบบง่ายดายเหมือนส้มหล่นไม่ต้องอดินหล่นให้ยุ่งยากลำบากทำงานกิจการอะไรก็จะเริ่นลง่งเร็วนี่เรียกว่าเป็นอนิสง์ของบุญเก่าที่เคยได้ทำไว้สำหรับผู้ที่ไม่มีบุญเก่าเกิดมาไม่ร่ำรวย ก็ต้องอาศัยพรสวงรคอายางถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องอาศัยพรสวงก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะทำมาหากินถ้ายังไม่รู้วิธีก็ต้องแสวงหาวิชาความรู้ก่อน พยายามศึกษาหาวิชาความรู้ที่จะได้เอาวิชาความรู้นี้มาเป็นเครื่องมือท ร, รมาหากินเพราะเท่าที่เห็นกันคนที่มีความรู้มากกว่ามักจะมีรายได้มากกว่าคนที่มีความรู้น้อยกว่าคนที่จบป .4 นี่ชื่อคนที่จบม .6 ไม่ได้ รายได้ของคนปสี่ครับรายได้ของคนจบมหกคนจบมหกก็สู้คนจบปริญญาตรีไม่ได้คนจบปริญญาตรีก็สู้คนจบปริญญาโทไม่ได้คนจบโทก็สู้คนจบปริญญาไม่ได้ดังนั้นถ้าอยากจะมีทรัพย์หาทรัพย์โดยวิธีสุดจริญ ในเบื้องต้นถ้ายังอยู่ในวัยของการเริ่มเรียนอยู่ก็ควรที่จะมีความขยันหมั่นเรียนเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งคอยสอนให้ตั้งใจเรียนหนังสื อ, อให้ทำการบ้านให้ทำอะไรให้เข้าห้องเรียน อย่าหนีเรียนกันตั้งใจเรียนหนังสือทำคะแนนให้ดีแล้วเดี๋ยวเวลาเรียนจบก็จะได้มีวิชาความรู้ไปสมัครงานได้หรือเอาไปทำธุรกิจของนตนเองได้ก็จะทำให้มีทรัพย์เกิดขึ้นมาแบบไม่มีโทษตามมา แต่ถ้าขี้เกียจเรียนหนังสือหนีโรงเรียนเรียนไม่จบพอจะไปทำงานถ้าไปสมัครงานก็ได้งานไม่ดีงานที่ต้องใช้แรงงานต้องเหน็ดเหนื่อยยากลำบากก็อาจจะคิดหาเงินโดยวิธีไม่ชอบได้หาเงินโดยวิธีผิดกฎหมายช่อโกงหลอกลวง ชาวบ้านหรือรักทรัพย์หรือท้าธุรกิจที่ผิดกฎหมายผิดศีธลธรรมก้ายาเสพติดค้ามนุษย์อันนี้เป็นผลที่เกิดจากความเกียดคร้านไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่มีวิชาความรู้ ที่จะเป็นเครื่องมือหาเงินทองโดยวิธีสุดจริญก็เลยต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริญการได้ทรัพย์แบบนี้ไม่ดีเพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกจับถูกยึดทรัพย์ไปนี่คือวิธีการมีความสุขของผู้คลองเรือน ที่เกิดจากการมีทรัพย์เนี่ยหรือได้ทรัพย์มาโดยวิธีที่สุดจลิตไม่มีโทษไม่มีทนไม่มีปัญหาตามมาพอมีทรัพย์แล้วก็ควรจะรู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขขึ้นมาถ้ามีทรัพย์แล้วตนันีขี้เหนียวอยู่แบบขอทาน มีทรัพย์ของตัวเองแต่ไม่ชอบใช้ชอบไปขอของคนนั้นขอของคนนี้อย่างนี้มีทรัพย์ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางคนตันหิขี้เหนียวหวงทรัพย์กลัวทรัพย์จะหมดก็เลยไม่กล้าใช้ทรัพย์ชอบใช้ทรัพย์ของคนอื่นชอบไปขอคนนั้นขอคนนี้ไปกินของคนนั้นกินของคนนี้ ของตัวเองนี่ไม่ยอมเอาออกมาใช้มีทรัพย์แบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกลับมีโทษกลับกลายเป็นภาระต้องคอยมาเฝ้าทรัพย์ก็เรียกว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปมีทรัพย์แล้วตนันดีไม่รู้จักเอามาใช้ให้เกิดความสุขอันนี้ก็ พอมีทรัพย์แล้วต้องรู้ว่าทรัพย์นี้มีไว้เพื่อรับใช้เราครูบาอาจารย์นี่ท่านโหดร้ายต่อทรัพย์มากโหดร้ายต่อคนรับใช้ท่านแต่ว่าต้องใช้มันให้แหลกครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านไม่หวงทรัพย์ไม่เก็บทรัพย์เพราะท่านไม่ต้องอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือหาความสุขท่านมีความสุขแบบนักบวช แต่ท่านก็บางทีมีบุญเก่าเยอะมีคนเอาเงินเอาทองมาถวายท่านเยอะท่านก็รู้ว่าทรัพ์นี้ไม่ได้มาเป็นเจ้านายของท่านท่านไม่อยากไม่มันมาเป็นเจ้านายท่านไม่ต้องการมารับใช้ทรัพด้วยการคอยบริหารจัดการทรัพ์ให้มันมีเยอะๆให้มันเพิ่มมากขึ้นท่านกลับเอามาใช้ใหมัน เพราะท่านเห็นว่าทรัพย์นี้เป็นเหมือนคนรับใช้มีคนรับใช้แล้วไม่ใช้มันมีไว้ทำไมใช่ไหมมีคนรับใช้ก็เพื่อมาให้เข้ามารับใช้เราเราจะได้สบายเราเพียงแต่ชี้นิ้วสั่งมันเฮ้ยทำนู่นทำนี่ให้หน่อยแต่ถ้ามีทรัพย์แล้วไม่เอามาใช้มันก็ก็เหมือนกับมีคนใช้แล้วไม่ใช้คนคนใช้นั่นเองกลับมา เฝ้าคนใช้มาคอยเลี้ยงคนใช้คอยดูแลรักษาคนใช้ดูแลไปทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้แล้วมีทรัพย์ไว้ทำไมครูบาอาจารย์บอกว่าทรัพย์มีไว้ไ ว, ไว้ใช้ไม่ใช่มีไว้รับใช้มัอนมีไว้ใช้มันไม่ใช่ไปรับใช้มันฉะนั้นท่านก็จะเอาไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ทั้งกับผู้ใช้เองและกับผู้อื่นด้ว ย, เ, ยเบื้องต้นก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ก่อ น, นพอเรามีทรัพย์แล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์ก็มีสองแบบเหมือนกันใช้แบบมีประโยชน์มีความสุขใช้แบบไม่มีประโยชน์แล้วมีความทุกข์เนเราต้องรู้จักใช้ทรัพย์ แบบที่มีประโยชน์ประโยชน์ของการใช้ทรัพย์ก็คือการเอามาเลี้ยงดูร่างกายของเราร่างกายของเรานี้ต้องมีทรัพย์คือมีปัจจัยสี่ต้องมีทรัพย์ไว้ซื้อปัจจัยสี่ต้องมีอาหารไว้รับประทานมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคร่างกายถึงจะได้แข็งแรง มีกำลังวังชามีความสุขนี่คือวิธีใช้ทรัพย์ที่จะทำความสุขให้แก่ผู้ใช้สุขทางร่างกายแล้วถ้าต้องการสุขทางใจวิธีที่จะใช้ให้เกิดความสุขทางใจนี้ไม่ได้ใช้จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ไปท่องเที่ยวไปชอปปิ้งอะไรเหล่านี้วิธีซื้อความสุขให้กับความสุขใจแบบนี้เป็นวิธีที่เป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะว่าความสุขที่ได้จากการซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากดูอะไรก็ดูอยากฟังอะไรก็ฟัง เห็นอะไรสวยเห็นอะไรงามอยากได้ก็ซื้อมาการซื้อความสุขแบบนี้เป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดเพราะว่ามันเป็นความสุขที่จางหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนยาเสพติดแล้วก็จะทำให้ติดจะทำให้ต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่ระวัง เดี๋ยวเงินที่มีก็จะหมดได้พอเงินหมดแล้วทีนี้ก็จะเครียดจะทุกข์เพราะยังอยากใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่ะวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขเป็นวิธีใช้ทรัพย์ที่จะทําให้เกิดความทุกข์เกิดโทษตามมาวิธีที่จะใช้ทรัพย์ที่ทําให้เกิดความสุขก็คือ หลังจากที่เราดูแลร่างกายเราให้มีความสุขแล้วเราก็ต้องมาดูแลจิตใจของเราให้มีความสุขจากการใช้ทรัพย์ของเราวิธีที่จะใช้ทรัพย์ของเราทำให้ใจของเรามีความสุขก็คือการเอาไปทำบุญทำทานนี่การทำบุญทำทานจะทำให้ใจของเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จาก ที่ได้จากการไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวไปดูไปกินไปดื่ม ไ, ไ, ไปฟังอะไรต่างๆเพราะเป็นความสุขที่ไม่ติดเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพอและจะช่วยลดความอยากที่จะใช้เงินในทางที่ผิดได้รือในทางที่จะไปใช้กับ การซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆนี่คือการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาต้องใช้หนึ่งเพื่อการเลี้ยงดูร่างกายของเราบางคนมีทรัพย์แต่ตันนี่กินอยู่แบบขอทานอยู่แบบยากจนกลัวทรัพย์จะหมดอย่างนี้ก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะใช้ทรัพย์ ให้เกิดความจำเป็นเกาะต่อความต้องการของร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับประทานอาหารตามพัฒก า, ารหรูหราต่างๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมต่างๆกระเป๋ารองเท้าไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเพชรนินจินดาไว้มาประดับมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกาย อาหารก็อาหารทั่วไปที่คนทั่วไปกินกันก็ใช้ได้เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าแบบทั่วไปที่คนธรรมดาทั่วไปใช้กันที่อยู่อาศัยก็เป็นที่อยู่ธรมธรมดาธรรมดาไม่ต้องเป็นข้าราชารราคาหลายล้านหลายสิบล้านยิ่งอาคารมีข้าราชารใหญ่ก็มีภาระต้องตามมา ต้องคอยดูแลทำความสะอาดก็ต้องจ้างคนมาทำงานมาช่วยเสียค่าใช้จ่ายไปโดยใช่เหตุเอาแบบธรรมดาธรรมดาดีกว่าแล้วก็จะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้จะไม่ต้องมาวิตกกังวลว่าเงินทองจะพอใช้หรือเปล่า เพราะถ้าเรารู้จักใช้แบบประหยัดย้ายแบบมีเหตุมีผลคือไม่น้อยเกินไปแต่ก็ไม่มากเกินไปเราดูที่เหตุผลเป็นหลักเหตุผลก็คือการเลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขให้อยู่อย่างปลอดภัยถ้าต้องเสียเงินเพื่อรักษาเลี้ยงดูร่างกายด้วยเหตุผลนี้ก็เสียไปไม่ต้อง เสียเงินเพื่อที่จะมาเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาพรด้วยการทำเเผาทำผมทำสัญญกรรมอะไรต่าง ๆ, ๆการใช้เงินทองแบบนี้มันจะทำให้สูญเสียมากเพราะเสริมเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เสื่อมอยู่ดี ว่าโดยธรรมชาติของร่างกายมันต้องเสื่อมไปตามการตามเวลามันไม่มีวันที่จะสวยงามไปได้ตลอดมาสวยงามด้วยการมีความเมตตาดีกว่าคนที่มีความเมตตานี้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ใช่คนที่ทำสวยต่างๆทางร่างกาย พระพุทธเจ้าไม่เคยตัดว่าคนที่ทำความสวยงามทางร่างกายด้วยการเสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวทำผ้าทำผมนี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าอยากจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ทำด้วยความเมตตาดีกว่าวิธี มแผม่เมตตาก็คือเนี่ยเอาเงินไปทำบุญทำทานไปสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ยากได้ยากเดือดร้อนแล้วจะมีคนรักคนชอบเนี่ยไปไหนนี่จะมีคนยินดีต้อนรับแล้วก็เทวดาจะคอยคุ้มครองปกป้องรักษาเทวดาไม่ปกป้องคุ้มครองพวกที่ทำสวยทำงาม เสริมสวยความงามด้วยวิธีต่างๆเพราะเป็นสวยแบบแบบอ่สวยแบบจัดฉากไม่ใช่เป็นสวยแบบแท้จริงความสวยที่แท้จริงต้องออกมาด้วยมาจากความเมตตาความสวยที่เกิดจากการเสริมความงามทางร่างกายนี้เป็นเหมือนการจัดฉาก ร่างกายอาจจะสวยแต่ใจนี่อาจจะเป็นยักษ์เป็นมารก็ได้ใจอาจจะใจจืดใจดำใจไม้ไส้ละกรรมขาดพรหมวิหารไม่มีความเมตตากรุณาอย่างนี้ไม่ว่าจะสวยยังไงก็ไม่มีใครเขาที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย ก็หลอกได้เพียงระยะสั้นๆเวลาที่เขายังไม่รู้จักเราพอเขาเห็นรูปร่างหน้าตาเราเขาก็จะชื่นชมยินดีแต่พอเขามาอยู่ใกล้กลเรานะเนี่ยธาตุแท้ของเรามันก็จะโผล่ออกมาถ้าใจเราไม่มีความเมตตามันก็จะโผล่ออกมาถ้าใจเรามีความโหดร้ายทารุณมีความตหนี่มีความโลภเนี่ยมันจะโผล่ออกมา แล้วต่อให้ร่างกายสวยงามขนาดไหนก็อยู่กันไม่ได้แม้มีข่าวมม้พวกดาราภาพยนต์สวยๆอํางามนี้แต่งกันไม่กี่เดือนนะเวลาเจอกันเห็นหน้าเห็นตากันก็หลงรักหลงชอบกันพออยู่ด้วยกันไม่ถึงหกเดือนก็หย่า ก, กันนะเพราะถ้าแท้โผล่มาถ้าแท้ก็คือไม่มีความเมตตาต่อกันมีแต่ความ เอาใจตนเองจะทำอะไรตามใจของตนเองส่างฝ่ายเมื่ออยากจะทาตามใจของตนเองมันก็ต้องชนกันฮะนเขาอยากจะกินเราอยากจะไปเที่ยวเขาอยากจะนอนเราอยากจะไปเที่ยวเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีความเมตตาต่อกัน คนที่มีเมตตาต่อกัน เ, เขาอยากจะทำอะไรก็ทาต้องตามใจเขาทำตามเขาก็าาจะอยู่ด้วยกันไดออ้อันนี้เรื่องของการใช้เงินให้เกิดคนให้เกิดประโยชน์ต้องใช้เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขไม่อดอยากขาดการไม่ทุกข์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ไม่ไม่ทุลภาพไม่พิกลพิการาแล้วมีชีวิตอยู่ไปยาวนานตามอัตภาพาแล้วอีกวิธีก็คือเอาเงินไปทำบุญทำทานตอนไฟมันติดนะไฟกล้ อ, อบนะ ทำบุญทำทานแล้วจะเป็นคนน่ารักคนชอบคนที่ใจบุญเพราะคนใจบุญนี่นำความสุขมาให้แก่ผู้อื่นไม่มาหลอกลวงผู้อื่นให้เขาหลงคิดว่าเราเป็นคนดีแต่พอเขาเผลอก็กัดกินเขาแบบพวกที่ต้มตุนหลอกลวงชาวบ้านเวลามาก็มาในรูปแบบสวยงาม แต่พอชาวบ้านเผลอก็ต้มต้มตุนกินเขาไม่ควรหาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิธีการมีความสุขเพราะไม่ช้าเขาเร็วเขาก็ต้องรู้และเขาก็ต้องตามจับเรามาลงโทษนี่คือการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาถ้าเป็นคาราวา ก็ให้มีทรัพย์แบบวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ให้ใช้ทรัพย์แบบวิธีที่ถูกต้องแล้วข้อที่สามวิธีที่จะทำให้มีความสุขก็คืออย่าไปมีหนี้อย่าไปกู้หนี้ยืมสินให้รู้จักคำว่ามากน้อยสันโดษถ้ายังไม่มีเงินซื้อก็อย่าไปซื้อซื้อของเงินผ่อนแล้วเป็นหนี้ ถึงแม้จะได้ของมาของที่ให้เราก็ให้ความสุขเราเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์คอยกดดันเราอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะต้องคอยดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อมาปลดหนี้มาใช้หนี้การมีหนี้นี่ก็เป็นเหมือนการเป็นนักโทษดีๆนี่จะมีถูกบังคับให้ต้องไป ทำมาหาเงินหาทองเพื่อมาใช้นี่ได้เงินทองมาแทนที่จะเอาไปใช้จ่ายตามความต้องการก็ใช้ไม่ได้เพราะไปมีนี่มีสินอันนให้รู้จักคำว่ามากน้อยสันโดดแล้วจะทำให้เรานี้อยู่แบบไม่มีนี่มีสินได้ใช้ตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยก็ใช้ไปตามกำลังของเรา อย่าไปใช้เกินตัวการใช้เงินทองเกินตัวจะทำให้เงินทองไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็จะใช้โดยวิธีกู้หนี้ยืมสินโดยสมัยนี้พวกบริษัทที่เขาต้องการสินการขายสินค้าต่างๆเขาก็มีกลละอุบายที่จะล่อให้เราไ ป, ไปซื้อสินค้าของเขาโดยให้เราไปติดหนี้ที่ธนาคาร เดี๋ยวนี้ก็มีรูปแบบหลอกคนให้ติดหนี้กันเยอะเอาของไปก่อนเอาไปใช้ก่อนแล้วผ่อนแต่ต้องเอาของนี้ไปเป็นของธนาคารไว้ก่อนเมื่อธนาคารเขาจะได้เอาเงินจากธนาคารไปแล้วเราก็ต้องไปเป็นหนี้ลูกหนี้ของธนาคารต้องคายไปผ่อนเงินให้ธนาคาร ผ่อนอย่างเดียวไม่พอมีดอกเบี้ยถแถมมาด้วยซื้อของเงินสดกับซื้อเงินผ่อนนี่ราคาต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะซื้อของเงินสดนีอได้สองชิ้นถ้าซื้อเงินผ่อนนี้ได้ชิ้นเดียวอีกชิ้นหนึ่งต้องแบ่งให้เป็นค่าดอกเบี้ยไปฉะนั้นให้รู้จักคาว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่า ตอนนี้มะม่วงกำลังออกมายางเปรี้ยวอยู่อย่าเพิ่งไปกินมันรอให้มันสุกกอนพอสุกแล้วจะได้กินมะม่วงหวานๆนุ่มๆมมมถ้ากินตอนนี้เป็นมะม่วงแข็งมะม่วงเปรี้ยวต้องอาศัยน้ำปลาหวานมาจิบน่อยากจะได้อะไรก็อดใจรอไว้ก่อนถ้ายัางไม่พร้อม ที่จะซื้อด้วยเงินสดเก็บเงินไว้ก่อนฝากไว้ในธานาคารได้ดอกเบี้ยด้วยเงินที่ยังไม่พอที่จะไปซื้อของที่เราอยากได้ก็เก็บไว้ในธานาคารได้ดอกเบี้ยแล้วพอฝากพอมีครบแล้วก็จะได้ซื้อของด้วยเงินสดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วยังได้ดอกเบี้ยจากธานาคารจากการที่เราเอาเงินไปฝากรอไว้ก่อน ขอที่ซื้อเลราคาถูกกว่าซื้อด้วยเงินผ่อนหลายเท่านี่คือการไม่มีนี่ต้องมีความมักน้อยคือใช้น้อยๆใช้เท่าที่จําเป็นอย่าฟุ่มเฟือยอย่าใช้แบบสืรุ่ยสุรายซื้อแบบซื้อของหรูหราไม่จําเป็นเครื่องใช้ไม่สอยที่มาเลี้ยงดูร่างกายนี้ ไม่จำเป็นจะต้องติดเพชรติดพลอยติดลูกลูกประดับเครื่องประดับต่างๆเสื้อผ้ามีไว้ปกป้องร่างกายปิดอวัยวะต่างๆเท่านั้นเองไม่ได้มีหน้าที่มาเสริมสวยความงามเพราะความงามแท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่จิตใจนี่ยอย่าไปเสียเงินเสียทองซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาใส่เลย เสียเงินทองโดยใช่เหตุจะทำให้ต้องไปติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินได้เนี่ยเองไปคุยกับพวกที่มีเสื้อผ้าหรูหราใส่ดูเนะี่ยถามว่าเธอมีหนี้หรือเปล่ารับประกันได้ว่ามีหนี้แทบทุกคนเพราะซื้อของเงินผ่อนดังนั้นซื้อไอ้นั่นกับผ่อนให้หนี้กับผ่อนแล้วก็มาเครียดกับการหมุนเงินเนี่ย งตอนนี้บางคนอาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้เนี่ยเมื่อวานหุ้นลงต้องหุ้นไทยลงต้องร้อยกว่าจุดหุ้นฝรั่งลงต้องสองพันจุดเนี่ยเดี๋ยวต้องมีข่าวฆ่าตัวตายกันนั้นเนี่ยพวกที่มีหนี้สินที่ไม่สามารถที่ที่หมุนเงินไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวต้องถูกเขายึดบ้านยึดอะไรต่างๆไปก็ซื้อมาอซื้อเงินผ่อนทั้งนั้นต่อไปก็ไม่กล้าออกเข้าสังคม เพราะไม่มีอะไรจะเข้าสังคมด้วยถูกเขายึดไปหมดนี่คือผลที่จะเกิดจากการมีนี่อย่าไปคิดว่าเราจะสามารถมาหมุนหมุนเงินได้ตลอดเวลาบางเวลาช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นเนี่ยมันก็หมุนกันได้นะเดี๋ยวพอไปช่วงเจอเศรษฐกิจขาลงนี่หมุนไม่ออกมันเฟิ่องไปหมดแล้ว ความทุกข์ก็จะตามมาสำหรับคนที่มีหนี้แต่คนที่ไม่มีหนี้ก็จะไม่มีความทุกข์จะสบายไม่เดือดร้อนหุ้นจะตกอีกกี่พันจุดก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีหนี้ไม่ต้องกังวลกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาใช้หนี้สินนี่คือการมีความสุขแบบผู้ครองเรือน แบบวิธีที่สามคืออย่าไปมีนี่วิธีที่สี่ก็อย่าไปทำอะไรที่ผิดผิดศีลธรรทผิดกฎหมายให้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วจะไม่มีทุกข์ตามมาถ้าไปทำบาปทำผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องมีโทษตามมาถ้าผิดกฎหมายก็ต้องมีการถูกจับไปลงโทษ ไปช่อโกงไปรักทรัพย์เดี๋ยวเขาก็ไปแจ้งความแล้วต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันถ้าถูกตัดสินผิดก็ต้องติดคุกหรือต้องถูกต้องชดใช้หนี้สินชดใช้ทรัพย์สินที่ได้ไปช่อโกงเขามาถ้าไม่ถ้าไม่ทาผิดก็จะไม่มีโทษตามมาอยู่อย่างสบาย ถึงแม้จะยากจนแต่ก็ไม่นอนตีนกายหน้าผากเนี่ยดีกว่าพวกที่นอนในที่นอนหรูๆแต่ไปทำผิดได้มาโดยวิธีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมก็จะต้องมีความวิตกกังวลว่าจะถูกเขาจับไปลงโทษเมื่อไหร่นี่คือวิธีของผู้ที่คลองเรือน สี่วิธีด้วยกันการมีความสุขคือหนึ่งการมีทรัพย์สองการใช้ทรัพย์สามการไม่มีหนี้สี่การกระทาที่ไม่มีโทษตามมาถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุขก็ต้องอยู่ด้วยวิสีวิธีนี้ก็ต้องรู้จักอดออมบ้างรู้จักมากน้อยสันโดษบ้างเวลายังไม่มี เงินจะใช้ก็อย่าพึ่งเอาไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ใช้ความมักน้อยใช้ไปเท่าที่มีตามมีตามเกิดไปก่อนแล้วก็ขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองโดยวิธีสุดเจริญเดี๋ยวไม่นานก็มีเงินทองเข้ามาเองพอมีเงินพอที่จะเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้นแต่การหาความสุข แบบผู้ครองเรือมันก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่าเงินทองนี่มันไม่เป็นของที่แน่นอนบางทีมันก็มาเยอะบางทีมันก็มาน้อยบางทีมันก็ไม่มาเลยแต่เวลาใช้มันใช้อยู่เรื่อยๆมันไม่มีวันหยุดพอใช้เงินแล้วมันติดมันต้องใช้ถึงจะมีความสุข พอไม่ได้ใช้มันก็จะงดเหียดเกิ ด, ดจะเกิดความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะต้องเจอทุกเจอปัญหาตามมาจากการที่เร า, เาไม่สามารถที่จะมีทรัพย์ไว้ใช้ได้ก็อาจจะคิดว่านี่วิธีที่เป็นการหาความสุขที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเนาะ ก็อยากจะอาจจะอยากจะไปลองหาความสุขแบบนักบวช ด, ดูก็ได้เพราะการหาความสุขแบบนักบวชเขาไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเขาต้องใช้กำลังใจของเขาเป็นเครื่องมือเขาต้องรู้จักเอาชนะกิเลส ข, ของเขาความสุขของนักบวชนี้อยู่ที่การฆ่ากิเลสตัณหานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหน ถ้าฆ่ากิเลสตัณหาได้แล้วอยู่เป็นสุขเเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาแล้วมันจะไม่มีความอยากความต้องการอะไรไม่มีความต้องการลาบยศสรรเสริญไม่มีความต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาความต้องการของร่างกายก็อยู่แบบขอทานได้สําหรับพวกที่เป็นนักบวช สมัยพุทธกาลนี้ส่วนใหญ่พวกนักบวชนี่จะเป็นถือเป็นพวกขอทานอยู่แบบขอทานจริงๆขอข้าวกินวันละมือ้อเสื้อผ้าก็ไปเก็บผ้าห่อศพมาทําเป็นเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามป่าตามที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่ตามป่าอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามป่าชา้า เพราะสถานที่เหล่านั้นเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจของนักบวชต่อการสร้างความสุขให้กับนักบวชนั่นเองก็คือการฆ่ากิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานักบวชจกไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่พอให้อยู่พอมีพอกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอ นักบวชบางพวกไม่มีเสื้อผ้าเขาก็อยู่แบบชีปเปลยไปก็มีเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาอยู่ไปตามมีตามเกิดเพราะเขาหาความสุขจากการฆ่ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเพราะเวลากิเลสตัณหาโมหะอวิชชามันตายไปหรือหยุดทํางานไปใจจะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ ดีกว่าความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์ความสุขที่ดีกว่าจากการไม่มีหนี้ไม่มีโทษนักบวชก็ไม่มีหนี้อยู่แล้วไม่มีโทษอยู่แล้วเพราะการกระทําของนักบวชนี้ไม่ไปทําให้ใครเสียหายไม่ไปหลอกลวงใครไม่ไปช่อโกงไม่ไปทําร้ายใครแต่เป็นวิธีที่ ต้องใช้กำลังใจเป็นอย่างมากกำลังใจสู้กับกิเลสตัณหาที่ชอบความสุขความสบายชอบความสวยความงามทางร่างกายถ้าสู้กับกิเลสพวกนี้ไม่ได้ก็จะไปอยู่แบบนักบวชไม่ได้อยู่แบบนักบวชนี้ต้องอยู่แบบขอทานไม่กังวลกับรูป ของร่างกายว่าจะสวยงามหรือไม่สวยงามเอเมื่อบวชแล้วส่วนใหญ่ก็โกนหัวกันเพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วพวกที่ยังต้องมีเผ้ามีผมก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าร่างกายไม่สวยไม่งามก็ไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากจะเอาไปเป็นแฟน อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขเลยต้องคอยเสริมสวยความงามทางร่างกายอยู่เรื่อยๆซึ่งเสริมไปเท่าไหร่มันก็จะเหี่ยวจะเฉาอยู่เรื่อยโดยโด ย, โดยธรรมชาติของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นมันจะต้องค่อยเหี่ยวไปเรื่อยๆเหมือนดอกไม้ดอกไม้เมื่อมันบานเต็มที่แล้วมันก็จะมีแล้วมันก็จะเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวไป แม้ดอกมาที่เราปักบูชาใส่ในแจกันบูบชาพระอย่างมา ก, ก้าทิศหนึ่งพอวันพระหน้าก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะมันเฉาแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องเฉาลงไปแล้วก็จะไม่มีใครเขาจะมาสนใจเราเอีกแล้วตอนนั้นเราก็จะเหงาถ้าเราหาความสุข จากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้พราะจะไม่มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามาเป็นนักบวชเนี่ยเราไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราเราเอาศัยกำลังใจของเราเนี่ยตัวสำคัญที่สุดคือกำลังใจกำลังใจที่จะมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากสวยอยากงามความอยากร่ำอยากรวยความอยากไม่แก่ความอยากไม่ยากจนนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องมีกำลังถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องสร้างกำลังใจขึ้นมาวิธีสร้างกำลังใจก็คือเราต้องไปถือศีลกันไปฝึกสมาธิไปเจริญปัญญา พะถ้าเราไปรักษาศีลได้เราก็จะมีเวลาที่จะไปฝึกสมาธิกันไปหยุดความอยากกันสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็มีอยู่สองสิ่งด้วยกันคือสิ่งแรกก็คือสมาธิด้วยอำนาจของสติพอมีสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิกิเลตันหาความอยากก็จะหยุดทำงานชั่วคราว แต่ยังไม่ตายจะให้ตายก็ต้องใช้ปัญญาพอออกจากสมาธิมาเพราะกิเลสตัณหารเริ่มออกมาสแสดงลวดลายก็ใช้ปัญญาฆ่ามันได้เลยปัญญาจะเป็นตัวฆ่ากิเลสสติสมาธิจะเป็นตัวหยุดกิเลสต้องหยุดก่อนถ้าไม่หยุดมันตามไล่มันไม่ทันมันว่องไวยิ่งกระลิงอรวดเร็วยิ่งกว่าลิงะ คิดปุ๊บเอาเลยอยากได้ปุ๊บไปเลยกดมือถือเลยต้องการเลยสั่งได้ทันทีต้องมีอ่ันั้นต้องมาฝึกสติต้องมารักษาศีลอ่คือวิธีสร้างพลังพลังที่จะมาต่อสู้กับความอยาก คือการมะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญานี้จะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้นี่คือความยากของการหาความสุขแบบนักบวชแต่มันได้ถ้าได้มาแล้วมันคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยเพราะว่าความสุขที่ได้มาแล้วมันจะไม่หายไปมันจะไม่จากเราไป มันจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดต่ดางจากความสุขแบบขาราวะาแบบผู้ของเรือนเป็นวิธีหาง่ายหาเงินหาทองนี่มันง่ายแต่มันไม่อยู่กับเราไปตลอดนะไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันอยู่มีทรัพย์ก็ใช้ได้เท่าที่ร่างกายมันมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอร่างกายตายไป ทรัพย์ทั้งหลายที่หามาได้ไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ไม่สามารถที่จะใช้มันต่อไปได้เพราะการจะใช้ทรัพย์ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเมื่อร่างกายตายไปใจก็เลยไม่มีเครื่องมือที่จะไปใช้ทรัพย์อีกต่อไปความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์จากการใช้ทรัพย์มันก็จะหมดไปแต่ความสุขที่ได้จากการ ฆ่าความอยากหยุดความอยากนี่มันมันไม่หมดไปกับความตายของร่างกายเพราะมันเป็นการกระทาที่ไม่ต้องใช้ร่างกายมันเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้ศีลสมาธิปัญญาที่ยิ่งใช้ยิ่งเหมือนมีดมีดนี้ยิ่งใช้ยิ่งคมปัญญานี้ยิ่งยิ่งใช้ยิ่งคมศีลยิ่งใช้ยิ่งมั่นคง สมาธิยิ่งใช้ยิ่งมั่นคงเนี่ยนี่คือความแตกต่างในการหาความสุขแบบผู้คองเรือนกับนักบวชนีความสุขของผู้คองเรือนนี้เรียกว่าสุขต้นแต่บรรทุกตอนปลายทุกตอนที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แต่ความสุขแบบนักบวชนี้เป็น ความเป็นความสุขแบบทุกต้นเราไปสุขตอนปลายตอนต้นนี่ทุกมากเวลาที่จะต่อสู้กับความอยากเนี่ยเวลาที่จะลากความอยากแต่ละครั้งที่จะต้องไปอยู่วาดไปปีกวิเว่งนี่โอ้ยเหมือนกับไม่รู้ลากก้อนหินก้อนใหญ่ๆไป <laughs> มันไม่ยอมไปเหมือนตอนไปเที่ยวตอนไปเที่ยวนี้ไม่แท้ต้องไม่ลากเลยมันมีแต่คอยดันเราไป เหมือนกับตอนเดินลงเขาเนี่ยเวลาไปเที่ยวนี่เหมือนเหมือนกับตอนเดินลงเขาเวลาไปปฏิบัติธรรมนี่เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นเขาต้องคอยบังคับต้องคอยหามาตรการต่างๆบางคนต้องต้องมีอธิษฐานสัจจะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังต้องมีอธิษฐานสัจจะเนี่ยถึงจะสามารถที่จะบังคับให้จิต มันปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีสัจจะอธิษฐานนี่เดี๋ยวมันก็โลเลละพอเจอความเหงาหน่อยเจอความเศร้าหน่อยเจอความว้าเหวหน่อยเดี๋ยวมันก็เริ่มโลเลละเริ่มสองจิตสองใจแล้วไอ้กูมาทำไมวะมาหาอะไรเวลาตอนต้นจะมาก็คิดว่าโอนจะมาฆ่ากิเลสจะมาสู้กับมันแต่พอมาอยู่คนเดียวได้สักปั๊บเดียว ความรู้สึกว่าเวงเงาความหงุดหงิดนี่มันเข้ามาจนทำให้ไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเจริญสติไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อจเจริญปัญญาต้องมีมาตรการถึงจะสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่าปล่อยให้มันเกิดจากความอยากของใจเพียงอย่างเดียว เพรความอยากของใจนี้มันไม่แน่นอนบางเวลามันก็อยากเวลามันเบื่อทางโลกมันก็อยากจะไปทางธรรมเนี่ยแต่เวลาไปแล้วเดี๋ยวพอมันไปเจอกระดูกไปเจอก้างขึ้นมามันก็จะคิดถอยแล้วคิดอยากจะกลับไปหาทางโลกอีกแล้วความสุขทางโลกเริ่มโผล่ขึ้นมาให้คิดอีกแล้วแต่ตอนที่มานี่ มีแต่ความทุกข์ทางโลกทำให้ไปแต่พอไปแล้วพอเจอความทุกข์ทางธรรมก็อยากจะกลับไปก็จะคิดแต่ความสุขทางโลกทางโลกที่เคยมีเลิมคิดถึงความทุกข์ทางโลกที่ผลักดันให้มาปฏิบัติในในเบื้องต้นอยู่แล้วดังนั้นต้องมีมาตรการแต้องคอยมีอะไรคอยเตือนใจเตือนสติไม่ให้ลืม ไม่ให้ลืมถึงความทุกข์ของทางโลกว่าเป็นเป็นอย่างไรมันมันไม่ค่อยจดจำกันความทุกข์ทางโลกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพอสักระยะหนึ่งมันก็ลืมพอมันลืมแล้วทีนี้มันก็มักจะกลับไปคิดถึงความสุขทางโลกคอยมีความสุขกับคนนั้นคอยมีความสุขกับสิ่งนี้ก็ลืมไปถึงความทุกข์ที่เคยได้จากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะ หลอกให้เราคิดไปคิดแต่เรื่องของความสุขงั้นถ้าอยากจะไปทางธรรมนี้เราต้องอย่าลืมความทุกข์ทางโลกที่เราที่ทำให้เราไปหาทางธรรมในในเบื้องต้นต้องจำไว้ว่าอ๋อที่เราไปหาธรรมมา ก, กันเพราะว่าโอ้เราทุกข์แสนทุกข์เนี่ยทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ ถ้าไม่ลืมแล้วมันทุกครั้งที่จะคิดกลับไปมันจะได้เตือนใจว่าอยากจะกลับไปหาเรื่องแบบนั้นอีกเหรออยากจะไปหาความทุกข์แบบนั้นอีกเหรอมันก็จะทำให้เปลี่ยนใจได้เลิกคิดถึงการที่จะย้อนกลับไปสู่ทางเก่าเพราะถ้าเราจำได้ว่าทางเก่านี้มันแสนขลุขระมีมีอุ ป, ปรสรรคมีปัญหามากมายกายกอง ทางที่เราไปนี้ถึงแม้ตอนเบื้องต้นมันจะยากมันมีอะไรคอยกีดขวางอยู่แต่ถ้าเราฟันฝ่ามันไปได้แล้วเดี๋ยวทางจะราบลื่นทางจะสบายจะมีแต่ความสุขรอเราอยู่ดังนั้นเราต้องมีมาตรการคิดคิดเพื่อให้เราไม่กลับไปในทางโลกคิดให้มันดึงให้เราไปในทางธรรม นอกจากคิดแล้วยังไม่พอเราต้องมีการกำหนดเวลาของการปฏิบัติคือตั้งมีอธิษฐานการกำหนดเวลาก็คืออธิษฐานตั้งเป้าหมายตั้งตารางตั้งเวลาว่าเราจะไปปลีกเว่ยๆครั้งละกี่วันเดือนละกี่ครั้งอะไรทำนองนี้เราจะปฏิบัติมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันอันนี้ถ้าเราไม่กำหนดถ้า ปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็จะเป็นเหมือนเรือใบเนี่ยที่ไม่มีหางเสือเรือที่ไม่มีหางเสือมันจะไปทางไหนได้เดี๋ยวมันก็ไปทางเหนือเดี๋ยวก็ไปทางใต้แล้วแต่ลมจะพัดพาไปแต่ถ้าเรามีหางเสือมีเครื่องคอยกำกับบังคับเรือให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถึงแม้จะลมจะไม่ไปในทิศทางนั้นเราก็สามารถที่จะฝ่าลมไปได้มีวิธี ที่เขาสามารถาทำให้เหลือบายน้วิ่งทวนนมได้นี่ก็เราก็ต้องมีวิธีที่จะทำให้เราวิ่งฝ่ากระแสของความอยากต่างๆถ้าเราปล่อยให้ใจเราไปตามอารมณ์เนี่ยอารมณ์เรามันก็บางทีก็ไปทางธรรมบางทีก็ไปทางโลกเราต้องมีมาตรการที่จะคอยฝืนเวลาเกิด มีอารมณ์ที่จะไปในทางโลกต้องบังคับให้มันไปในทางธรรมอย่างเดียวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตั้งสัจจะอธิษฐานตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพเนยว่าจะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตัดสรุตอนจนกว่าจะชนะไอ้กิเลสสามตัวนี่กามะตัะหาภาวะตันหาวิภาวะตันห า, ะะนหาถ้าตาบใดมันยังมีอยู่ในใจยอยู่นี่ จะไม่ขอลุกจากที่นั่งอันนี้ไปจะไม่ลงจากเวทีพูดง่ายๆถ้าเป็นนักมวยถ้าคู่ต่อสู้มันไม่ถูกนับสิบเราก็ไม่ยอมลงถ้าจะลงจากเวทีก็ต้องให้เขาหามลงเท่านั้นต้องถูกเขานอกเท่านั้นเองเขาตระเจ้าบอกจะนั่งตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรุถึงแม่เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ยอมให้มันเหือดแห้งไป ก็อยอมตายแต่จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้จากการภาวนานี้ไปจนกว่าจะได้ชัยชนะนใ น, นที่สุดก็ได้ชัยชนะเพราะการจะต่อสู้กับอารมณ์เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราเอาจริงเอาจังแล้วอารมณ์มันสู้เราไม่ได้หรอกถ้าเราโลเลนี่เดี๋ยวอารมณ์มันเอาไปกินหมดเพรอเกิดอารมณ์ ไม่อยากจะทำขึ้นมาท่านั้นไปเลยเลิกเลยแต่ถ้ามีมาตรการคอยป้องกันอารมณ์จะมีอารมณ์ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติช่วงนี้เรากำลังมีการปฏิบัติอยู่เราก็ต้องปฏิบัติไปจะไม่ล้มไม่เลิกจนกว่าผ่านเวลาที่กำหนดไว้ท่านั้นเราถึงจะเลิกถึงจะหยุดนี่มันถึงจะมีการคืบหน้ามีการ ก้าวหน้าได้ถ้าลองปล่อยให้ เ, ออเดี๋ยวรอให้มีความสบายใจก่อนอยากแล้วค่อยไปพอมันสบายใจมันก็ไม่อยากไปพอมันทุกข์มันก็ไม่มีกำลังที่อยากจะไปอีกมันก็แทบจะหาเวลาไปไม่ได้ไปปีกวิเวกไปปฏิบัติไปสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอามาฆ่าความอยาก คือกามัตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาตัวที่สร้างความวุ่นวายใจตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับใจไม่รู้จักจบจักสิ้นต้องทำลายมันอย่าไปส่งเสริมมันการทำตามความอยากนี้เรียกว่าเป็นการส่งเสริมเพราะการทำตามความอยากนี้จะทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้ทำให้ความอยากหายไป การที่จะทำให้ความอยากหายไปนี้ต้องไม่ทำตามความอยากต้องหยุดนะต้องหยุดเหมือนพระพุทธเจ้าบอกองคุลิมาเราได้หยุดแล้วเธอต่างหากยังไม่หยุดเธอยังอยากฆ่าคนอยู่แต่เราไม่อยากฆ่าใครแล้วเราไม่อยากได้อะไรจากในโลกนี้แล้วเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่ได้มาในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นความสุขอย่างที่เราคิดกันได้เงินทองมาเดี๋ยวก็เสียเงินทองไปได้ยศได้ตำแหน่งมาเดี๋ยวก็ต้องเสียยศเสียตำแหน่งไปได้สรรเสริญมาเดี๋ยวก็ต้องเสียสรรเสริญไปแล้วก็ได้ความดินทามาแทนที่ได้สุขมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียสุขไปเดี๋ยวทุกข์ก็สลับเข้ามาแทนที่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะ เลิกอยากได้เพราะจะรู้ว่าการไปทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขความสุขที่ได้นั้นมันเป็นเหมือนกับดักมันเป็นของปลอมมันอําพรางไว้เหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยตาที่ไม่ฉลาดเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชาแต่พอไปฮุบเหยื่อเข้าก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเนะ ก็จะต้องถูกเขาลากขึ้นน้ำเอาไปสู่หม้อแกงต่อไปถ้าใจไปทําตามความอยากเพราะเห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นสุขเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าคิดว่าได้ทําได้มาแล้วจะเป็นความสุขนี้ก็จะถูกหลอกเพราะมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่มีตะขอเบ็ด ซ่อนอยู่เพราะมันจะทำให้ติดเด็ดกับลาบยศสารเสริญสุขหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็ต้องดิ้นน้นหาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีรังถาววอนที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดได้ลาบมาเดี๋ยวก็ต้องเสริมลาบ ได้ยศมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสริยมยศเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเสียลาบกันเยอะแยะเงินเดือนนี่ถูกลดกันแล้วเนี่ยพนักงานเริ่มถูกให้หยุดทำงานโดยไม่มีไม่มีเงินเดือนพักชั่วคราวก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีลูกค้าไม่มีรายได้เจ้าของกิจการก็ไม่มีเงินเงินเดือนจะมาจ่ายลาบที่เคยมาเหมือนน้ำปลาปลาก็หยุดไปเหมือนน้ำประปาหยุด เวลาน้ำประปาหยุดรู้สึกยังไงวุ่นวายไหมเดือดร้อนไหมเนี่ยลองบ้านเมืองลองน้ําประปาไม่ไหลไฟดับดูสิโอ้ใจวุ่นไปกันทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้ก็เหมือนกันรายได้คือราบเนี่ยตอนนี้มันเริ่มชะงักนะ้มันเริ่มชะลอตัวแล้วเริ่มเครียดกันแะเริ่มทุกข์กันแลเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยงของราบนี่เอง ทุกครั้งที่เราคิดถึงเงินทองเราคิดว่าโอ้ยได้มาแล้วจะมีความสุขกันแต่ไม่เคยคิดว่าแล้วถ้าไม่ได้แล้วจะเป็นอะไรหรือถ้าได้มาแล้วมันหมดไปแล้วจะเป็นอย่างไรไม่คิดกันคิดว่าจะได้มาอยู่เรื่อยๆจะมีอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นความคิดผิดก็เรียกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิจะต้องเห็นว่ามันไม่แน่นอนมันมาบ้างไม่มาบ้างเวลาไม่มาเราจะทำยังไง เรามีมาตรการรับกับเหตุการณ์หรือไม่ถ้าไม่มีก็อย่าไปมีมันดีกว่าอยู่แบบนักบวช ด, ดีกว่าไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการฝึกสมาธิจากการจาริญปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่างๆดีกว่าพอหยุดความอยากได้แล้วความอยากมันก็จะหายไป ความรู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่มันก็จะหายไปความอิ่มในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาจะทําให้เราไม่ต้องการมีอะไรไม่ต้องอยากได้อะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขมีราบหรือไม่มีราบก็ไม่เดือดร้อนมียศหรือไม่มียศก็ไม่เดือดร้อนมีสรรเสริญหรือไม่มีสรรเสริญก็ไม่เดือดร้อนมีสุขหรือไม่มีสุขก็ไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งหมดแล้วไม่ต้องการอะไรจากอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขพอมันเห็นแล้วมันก็หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆพอความอยากได้สิ่งต่างๆมันหยุดไปความสุขมันก็โผล่ขึ้นมาในใจคือความอิ่มความพอ ที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือวิธีการหาความสุขของนักบวชซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงที่มั่นคงที่จะอยู่กับใจไปตลอดแต่ความสุขแบบคาลวะนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่สิ้นสุดตอนเป็นก็สิ้นสุดตอนตาย แล้วก็จะทําให้ใจที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อหามาหาความสุขต่อไปหาได้เท่าไหร่ก็จะจบเหมือนกับข้าวที่แล้วก็คือเวลาที่ร่างกายตายไปก็ยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดส่วนความสุขแบบนักบวชนี้จะทําให้จิตใจไม่หิวกับอะไรอีกต่อไป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 ภราสุยถาสัพภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิจานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวทานติ No อายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกตอบเพราะจะวุ่นวายกับเรื่องอย่างอื่น ฉันจะถามเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาห1 6้อยสิบห381ทู e ส้อปดสิบเอวิทยุออนไลน์16รับฟังข้างบนนี้ส9สิบคนรวมทั้งหมดหนึ่งพันห้าิบครับคำถามจากทางอินบ็อกซ์ครับ คุณมายีมีความสงสัยเกี่ยวกับคำบริกรรมพุทโธเวลาที่ทำงานไปด้วยครับถ้าทำงานไปด้วยลูกจะอยู่กับพุทโธได้น้อยสักพักจะไปคิดเรื่องอื่นแต่พอลองเปลี่ยนเป็นลมหายใจรู้สึกว่าอยู่ได้นานกว่าพุทโธมากแบบรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราภาวนาระหว่างวันคือเราต้องให้รู้ลมเข้าออกทุกขณะเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะอีกอย่างลูกเกิดความ เสียดายพุโทโธอยากได้พุโทโธตามแบบครูบาอาจารย์เลยทำให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาจริตของตัวเองทำให้ไม่มีพลังในการภาวนาเลยเจ้าค่ะและเวลานั่งสมาธิถ้าภาวนาพุโทโธจะรู้สึกว่าตัวตั้งตรงไม่เอ็นเอียงแต่ถ้าอยู่กับลมตัวชอบเองค่ะเลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้ใช้สลับกันไปช่วงไหนใช้พุโทโธได้ก็ใช้พุโทโธไป เจ้าไหนใช้ดูลมได้ก็ใช้พุทธโธไปใช้ดูลมไปไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพุทธโธอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวแล้วแต่สถานการณ์อันไหนเหมาะก็ใช้อันนั้นไปบางคนก็เอาสองอย่างมารวมกันก็ได้เหมือนพิซซ่าชอบสองรสก็สั่งเขาถาดเดียวเอาสองรสก็ได้ บางคนชอบพุทธโธชอบลมก็เอาพุทเข้าโทออกก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทก็ได้หรือหายใจเข้าก็พุทธโธหายใจออกก็พุทธโธไปกับด้วยกันก็ได้ถ้ารักพี่เสียดายน้องก็ในกรณีพุทธโธกับลมนี้ไปด้วยกันได้ <c oughs> คําถามจากผู้ฝากถามผมมีเพื่อนสนิท มากคนหนึ่งเขากินเหล้าปีละประมาณไม่ถึงหกครั้งส่วนผมไม่ดื่มเลยถ้าเพื่อนมาพาผมไปสถานบันเทิงแล้วผมไปด้วยแบบไปรับไปส่งถือว่าผมจะผิดหรือเป็นบาปไหมครับถ้าเราไม่ดื่มไม่ผิดหรอกเราก็เป็นเหมือนคนขับรถ น, นั่นเองพาเข้าไปน้วก็อยากจะไปไม่มีเพื่อนไปก็พาเข้าไปแต่ถ้าชวนให้เขาไม่ไปได้ก็จะดีกว่า แถ้าช่วยไม่ได้ก็ถ้ายังเสียดายเพื่อนอยู่ยังรักเพื่อนอยู่ก็ไปกับเขาแต่ถ้าคิดว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปกับเขาเอถ้าเขาไม่อยากจะคบเราก็ดีเราจะได้ไม่ต้องคอยพาเขาไปไหนมาไหนคําถามจากคุณพัชระหลังเที่ยงวันไปแล้วหากผู้เป็นพระสงฆ์หิวสามารถฉันสิ่งใดได้บ้างครับ ตามหลักก็ต้องให้ทนเอาแหละมาบวชเพื่อ mm. เพื่อจะได mm. ้มาสร้างขันติความอดทนอดกลัน้น mm. เพื่อจะได้เอาชนะกิเลสได้ยัน mm. ถ้าไม่กินอะไรได้นะ่ะดีที่สุด mm. ถ้าหิวก็ดื่มน้ําไปอย่างเดียวหิวนะหิวก็ดื่มน้ําไปเอดีที่สุด mm. ถ้าเราไปกินนู่นกินนี่มันถึงเมื่้จาะอนุญาตแต่มันไม่ได้อนุญาตในกรณีที่หิว ของที่ให้รับประทานหนังเทียงไปแล้วนี้เขาเรียกว่าเภศัชเป็นยาถ้าไม่เป็นโรคภยัยไค่เจ็บอย่าไปกินมันเป็นพวกน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนยน้นเนยใสน้ำมันนี่ในสมัยพุทธกาลเขาใช้เป็นยาอาจจะเป็นยารักษาท้องก็ได้มั้งท้อ ง, ท, องท้องเสียท้องอะไรก็ ต้องมีอะไรไปเคลือบเช่นกินน้ำมันก็ไปเคลือบท้องอะไรทานองนั้นแต่ถ้าเอามากินแทนอาหารก็อย่าไปบวชดีกว่าบวชทำไมบวชแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันกับไม่ได้บวชนะไปบวชเพื่ออยู่แบบนักบวชไม่ได้อยู่แบบคารวะนี่ถ้าไม่พร้อมที่จะบวชก็อย่าไปบวชดีกว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรได้แต่รูปร่างของการบวชแต่ไม่ได้สาระของการบวช การบวชก็คือการมาอดเนี่ยมาอดมามาหยุดกิเลสพูดง่ายๆหยุดความอยากต่างๆแต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มาหยุดกิเลสไม่รู้มาบวชทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆเสียข้าวชาวบ้านเขาด้วยคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่หลังจาก เคยได้ยินพระอาจารย์เทศว่าหลังจากที่เพิ่งได้ฌานสี่ใหม่ๆยังไม่คล่องอย่าเพิ่งเข้าวิปัสนาให้ทําฌานให้คล่องก่อนบางทีก็ใช้เวลาเป็นปีกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ช่วยขยายความตรงจุดนี้ด้วยเจ้าค่ะอ๋อเพราะมันการจะได้สมาธินี่มันไม่ใช่ของง่าย <laughs> ครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี่ท่านกว่าจะได้เป็นหลายหลายปีเป็นสิบปีบางคนก็มี เพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนไปศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ท่านนั่งปุ๊บได้ปับ๊บเจริญปัญญาปุ๊บหลุดพ้นปับ๊บมีบ้างแต่เป็นกรณียกเว้นกรณีทั่วไปนี่ท่านต้องฝึกสติฝึกสมาธิอยู่เป็นเวลาหลายปีด้วยกันยิงน่งต้องใจเย็นๆกรุงลงไม่ได้สร้างในวันเดียวม า, มาผลนิพพานก็ไม่เกิดขึ้นในวันเดียว แต่แต่ละคนมันไม่แน่อย่างพระพุทธเจ้าก็บอกบางคนก็เจ็ดวันก็วิปัสสนาได้บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีออแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลบางคนมีของเก่ามีทุนเก่ามาเยอะก็ไม่ต้องลงทุนมากบางคนไม่มีทุนเก่ามาเลยก็ต้องลงทุนมากหน่อยคำถามจากคุณคณาพรชัย เวลานั่งสมาธิได้ประมาณสองสามนาทีลมหายใจหยุดเราควรทำอย่างไรครับถ้าเราหยุดตามผู้รู้เราจะตายไหมครับไม่ตายหรอกมันหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็หายใจเองแหละมันมันธรรมชาติของร่างกายถึงเวลามันจะต้องหายใจมันก็หายใจของมันเองเรามีหน้าที่รับรู้ก็รู้ไปเฉยๆก็แล้วกันรู้ว่าตอนนี้มันหยุดไม่ต้องกลัวว่าจะตาย เพ ก, กลัวแล้วมันจะทําให้ตื่นตระหนกแล้วมันก็จะทําให้จิตไม่สงบ ก, ก็จะนั่งสมาธิไม่ได้อืคําถามจากคุณรพีพันธ์ช่วงนี้โรคกําลังระบาดเราควรทําตัวอย่างไรไม่ให้กลัวติดโรคและกลัวตายเพราะโรคนี้ครับก็ต้องใช้ความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับร่างกายว่าร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บคไายได้ป่วยกัน แล้วทุกคนก็ต้องเจอโรคสามสามขั้นสามชนิดชนิดแรกก็คือโรคที่เป็นแล้วหายเองเช่นไข้หวัดบางชนิดก็ไม่ต้องรักษาเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายพักผ่อนหลับนอนสี่ห้าวันมันก็หายแล้วก็เจอโรคที่รักที่เป็นแล้วต้องรักษาเช่นโรคหวัดบางชนิดก็ต้องไปหาหมอไปกินยาแล้วมันถึงจะหาย แล้วโรคชนิดที่สามที่จะต้องเจอกันก็คือพอเป็นแล้วก็รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเรให้มันตายไปเท่านั้นถ้าเรารู้ว่านี่คือเส้นทางของร่างกายของเราเหมือนกับเราขับรถไปข้างหน้าเรารู้ว่าจะต้องเจอด่านสามด่านเราทำไงเราก็เตรียมจ่ายค่าด่านไปนั่นเองใช่จะขึ้นทางด่วนอ่ะชานนี้เดี๋ยวต้องจ่ายยี่สิบาทอะ เดี๋ยวไปเจ อ, อเส้นอีกยี่สิบบาทก็เตรียมจ่ายค่าทางด่วนไปวิธี จ, จ่ายค่าทางด่วนของของร่างกายก็คือทำใจให้เฉยๆเป็นอูเบกขาพุโทโธพุโทโธไปถ้าต้องเจอมันก็เฉยไปพุโทโธพุโทโธไปปล่อยมันเป็นไปเป็นว่าเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่หายก็รักษารักษาแล้วเดี๋ยวมันก็หาย ถ้ารักษาไม่ได้ก็ตายก็เดี๋ยวก็ต้องตายกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอหมอเองก็ต้องเจอโรคสามโลกนี้เหมือนกันทุกคนจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กก็ต้องเจอเหมือนกันทุกคนเพราะนี่คือความจริงของร่างกายแต่ใจของเรานี้อยู่กับมันได้อย่างไม่เดือดร้อนถ้าเราปล่อยวางมันได้ถ้าเราทำใจให้เฉยได้เป็นอุเบกขาได้ ใจเราไม่สงบวุ่นวายเราก็ต้องไปฝึกสมาธิกันไปฝึกสติควบคุมความคิดหยุดความคิดหรือให้มันคิดไปในทางปัญญาว่าอย่างมากก็แค่ตายวะไม่มีใครไม่ตายนี่คือผลที่เกิดจากการมามีร่างกายก็ต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ให้ประมาทก็ทําอะไรได้ก็ทําไปล้างมือได้ก็ล้างไปเช็ดมือได้ก็เช็ดไปอยู่ บ้านได้ก็อยู่ไปถ้าไม่ต้องออกไปพบปะกับใครมันก็จะได้ลดความเสี่ยงลงก็ทำในสิ่งที่เราทำได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยจำเป็นจะต้องออกไปทำทุระจำเป็นจะต้องไปซื้อกับข้าวกับปลาอะไรนี้ก็ใส่หน้ากกหน้ากากไปอะไรไปทำเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ดูสถิติว่ามันก็ ร้อยละยี่สิบจะมักที่เสียชีวิตหรือร้อยละสองก็ไม่รู้ร้อยคนก็จะเสียชีวิตแค่สองคนแลวพวกที่เสียชีวิตก็มักจะเป็นคนสูงอายุคนแก่ที่มีภูมิต้านทานน้อยหรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บหรือเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบเท่าที่ก็าดูสถิติของการตายของคนที่ตายจากโรคนี้ก็จะเป็นบุคคลเหล่านี้ เห็นถ้าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสียงเราก็ก็คิดว่าสบายใจได้แต่ถ้าจะต้องตายก็ถือว่าถูกราหวัตที่หนึ่งก็แล้วกันย <c oughs> ังไม่ใช่เป็นของง่ายเออคําถามจากคุณไข่มุกทําสมาธิแบบดูลมหายใจแล้วท่องพุโทโธไปด้วยครับพอสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกเหมือนตัวใหญ่มากลมหายใจก็เหมือนจะหายไปอยากถามพระอาจารย์ว่าควร ที่ปฏิบัติถูกต้องไหมครับและจะมีวิธีแก้อย่า ง, างไรหากรู้สึกเหมือนตัวขยายใหญ่มาก เ, าเกิดความกลัวครับไม่เป็นไรหรอกอย่าไปสนใจมันเวลาใจยังไม่สงบเนี่จิตมันก็จะแสดงอาการต่างๆได้เพื่อที่จะมาหลอกเรามาทำให้เราล้มเหลวในการปฏิบัติเราก็อย่าไปสนใจเราก็พุโทโธต่อไปดูลมต่อไปเดี๋ยวพอใจนิ่งสงบทุกอย่างก็จะหายไป คำถามจากผู้ฝากถามครั้งหนึ่งได้พบ พ, พ่อแม่ครูอาจารย์แล้วท่านรู้ว่าผมอยากจะบวชแต่ท่านเห็นว่าผมมีครอบครัวอยู่ท่านจึงว่าไม่ต้องบวชรอบบุญบวชเรามันน้อยพุทโธไปนะบุญบวชที่ท่านว่านี้คืออะไรครับและต้องทําอย่างไรบุญบวชถึงจะมากพอครับก็สมาธิเนี่ยความสงบเรือสติถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะมีบุญบุญบวช ว่าเราจะอยู่คนเดียวได้ที่เราอ้างนูน่นอ้างนี่ไม่ใช่เพราะว่าเรารักเราห่วงเขาหรอกเราห่วงตัวเราเองมากกว่าห่วงว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันจะเหงาจะอยู่ไม่ได้ต้องอยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่แต่ความความจริงมันเป็นความอยากของเราใจของเราไม่สงบแล้วความอยากมันก็จะทำให้เราไม่กล้าไปบวชกันแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้แล้ว อะไรก็มีอะไรก็ทิ้งได้หมดเนมีเงินมีทองมีตำแหน่งมีงานเงินเดือนดีๆทิ้งได้หมดเพราะความสุขที่ได้จากความสงบมันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนเราบวชกันไม่ได้ก็คือไม่มีบุญบวชไม่มีความสงบถ้ามีความสงบแม้เพียงแค่งูลาบลิ้นเท่านั้นมันก็จะเห็นทางเห็นแล้วว่าโอ้ไม่มีอะไรดีกว่าการไปทาใจให้สงบ คำถามจากคุณเอสพีหากเราไม่ได้ออกเงินค่าทำอาหารตักบาตรในตอนเช้าแต่เราอาสาตื่นตั้งแต่ตีสีเพื่อมาทำอาหารและออกไปตักบาตรด้วยตนเองทุกวันเราจะได้บุญไหมครับก็ได้ส่วนที่เราทำเงแต่แต่ส่วนที่เงินที่เสียไปนี่เราก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เสียเงินแต่เราเสียเวลาเราสละเวลาของเราเราสละรงกายของเรา อันนี้เราก็ได้บุญอีกแบบหนึ่งบุญที่เกิดจากการเสียสละแรงกายของเราให้กับผู้อื่นไปเป็นอาสาสมัครเหมือนกับเป็นพวกที่เขาไปทํางานอาสาสมัครเขาไม่มีเงินบริจากสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เขาก็ไปช่วยขนทรายขนอิฐขนหินอะไรทานองนี้เขาก็ได้บุญในส่วนนั้นไปคําถามจากทางอินบ็อกซ์ครับคุณกวาง เราจะทำอย่างไรให้มีสมาธิอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วสมาธิระดับไหนถึงจะเข้าฌานได้ครับเวลาที่จิตหลุดหมกมุ่นกับกิเลสต้องดึงใจอย่างไรครับก็เนี่ยหัดบริกรรมพุโทโธไปหรือหัดสวดมนต์ไปภายในใจแล้วเราจะมีสติมีสมาธิเวลาเกิดความวุ่นวายใจเกิดกิเลสเราก็พุโทโธพุโทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเวลาเกิดกิเลสมันไม่มีกาลังสวนเนี่ย ไม่มีกำลังท่องพุทโธเหมือนนักวิ่งมาราธอนเนี่ยถ้าไม่หัดวิ่งอ่พอถึงเวลาจะไปวิ่งไม่มีแรงวิ่งหรอกแต่ถ้าหัดวิ่งอยู่ทุกวันทุกวันมันจะมีกำลังพอถึงเวลาไปแข่งขันก็สามารถแข่งได้ใจของเราต้องแข่งกับกิเลสเนยเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเราต้องเอาพุทโธมาแข่งกับมันมาสู้กับมันหรือการสวดอิติปิโสมาสู้กับมันถ้าเราไม่ฝึกสวดไม่ฝึก บริกรมรมพอถึงเวลาจะแข่งกับกิเลสสู้มันไม่ได้กิเลสจะชวนให้เราไปทํานูน่ทนทํานี่ไปได้นูน่นได้นี่ไปห า, ห น, น, หานู่นหานีต่ตอนนั้นพุทโธไม่ออกสวดไม่ออกเพราะไม่ได้ฝึกมาเอยังต้องหมั่นฝึกพุทโธหมั่นสวดมนต์ไปเรื่อยๆซึ่งเราทําได้เกือบตลอดทั้งวันเลยช่วงไหนที่เราไม่ต้องทํางานที่ต้องใช้ความคิดเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไป จะบอกตัวว่ า, เร า, เ, ราเรากำลังหัดวิ่งพุโทโธกำลังหัดวิ่งมาราธอนพุโทโธพุธโทโธไปสวดออตี T P ปิโสไปแล้วต่อไปเวลากิเลสมาท้าแข่งเราจะได้สวดแข่งกับมันไปคำถามจะคุณกริฐกร อ, อยากขอพระอาจารย์ขอธรรมะที่ใช้ทาลายความอิจฉาริษยาครับ ก็ต้องมองว่าทุกคนมีบุญมีกรรมมาไม่เท่ากันทำบุญทำกรรมมาไม่เท่ากันสร้างบุญสร้างบา ร, รมีมาไม่เท่ากันแข่งรถแข่งเรือแข่งกันได้พอแข่งได้แต่แข่งวาสนาบา ร, รมีนี้แข่งไม่ได้ต้องสร้างกันขึ้นมาอย่าถ้าเขาเหนื่อยเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราก็ถือว่าเขามีบุญบา ร, รมีมากกว่าเราก็แล้วกัน เราควรที่จะแสดงความยินดีในบุญบรารมีของเขาจะดีกว่าที่เราจะมาอิจฉาเขาอแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจแล้วเราจะได้โทษตัวเองเนี่ยมึงเนี่ยถึงเวลาสร้างบุญบรารมีมึงไม่ทําเนี่ยอถึงเวลาจะรับผลมึงก็ไม่ได้รับผลก็เป็นอย่างนี้ต้องเอาเอาเอาเอาเหตุของเขามาสอนใจเรามาด่าดตัวเราเนี่ยให้เห็นโทษของเรา ที่เราไม่ขยันสร้างบุญบรารมีกันแต่จะเอาผลของบุญบรารมีมันไม่ได้เหมือนกับคนที่ไม่ปลูกต้นไม้ไม่ปลูกต้นผลไม้กับคนที่เขาปลูกต้นไ ม, weeks, เนไม้เวลาเขามีดอกผลออกมาเราไม่มีก็เราไม่ได้ปลูกต้นไม้ไว้เราก็เลยไม่มีดอกผลออกมาแต่เขามีขยันเขาปลูกเขาคอยดูแลต้นไม้ของเขาเดี๋ยวไม่นานเขาก็ได้รับผลของต้นไม้ของเขา บุญบา ร, รมีคือการทำความดีชนิดต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราได้ดิบได้ดีได้เจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรมหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ